วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้คือวันนี้เกี่ยวกับวันนี้ยังไงสำคัญ ม, มากวันนี้เป็นวันลาเราคงจะลู้กันแต่ว่าแสดงออก หลายอย่างที่วันนี้พวกเราก็มารวมกันที่นี่โดยไม่ได้นัดปายอะไรต่างคนต่างฉันงนึขึ้นมาเองจากทุกภาคของประเทศก็ว่าได้ก็ไม่มากแต่ว่าพอสมควรแล้วก็มาทำ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 กิจันสงสุดที่ให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นแก่เราอีกให้มันมากขึ้นเหมือนหัวเผือกของมันที่อยู่ในดินแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆโตกว่าปีที่แล้วคุณธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราก็อจะโตขึ้นถ้าเราเียพยาม ประกอบอยู่เสมอเป็นไปได้โดยกั น, นวันอาสาฬหบูชาในวันนี้เกี่ยวกับพวกเราทั้งนั้นคือพระพุทธเจา้าแสดงธรรมจักกะปวัตตสูตรอันเป็นเวเพื่อเทวด า, ามารพรและมนุษยเทวโลกอมตะโล ก, โลกโลท้องงวลได้ประโยชน์ จนมาถึงพวกเราทุกวนันนี้เราได้ประกอบพิธีในวันนี้จากที่การตัดจักรุกของพระเจ้าตั้งแต่วันเป็นเดือนหกยังไม่เคยแสดงธรรมมาแสดงวันนี้วันเพ็ญเนือนแปดให้เกียคนห้าคนฟังที่ว่าปัญจวัคคีย์อย่างที่เราสาธยายพระสูตร จบลงไปธรรมจักตับปรมมันดสูตรเป็นสูตรที่กิ้งหงูนจักกะธรรมให้เกิดขึ้นจนแหลกไปเลยเหยียบย่ำไปเลยในทุกข์ในสมุทยัยในโลดมรักแหลกไปเลย สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งใดเป็นทางดับทุกข์สิ่งใดทาให้หมดทุกข์ได้สำเร็จไปเลยเพราะได้เป็นไปแล้วอย่าน้อยเป็นไปแจบปันชวคีดคนทายาผู้มีอายุใด้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเฉลยคนที่หนึ่งเดี๋ยวพระสง์เกิดขึ้นไหนพระพุทธศาสนาในวันนี้ คือคนทัญญามพามคนทัยาพามคือใครคือพามทั้งแปดที่ไปทำนายลักษณะของศิทธะตั้งแต่ประสูติใหม่ทำนายลักษณะก็ทำน า, ายได้แม่นยำว่าศิทธะนี้ออกบวชแน่ดอนตัดชะลุเป็นอนุตตรสัมาามาสัมพุธิยานเป็นศาสนาเอกในโลก เป็นศาสตราเอกในโลกทํานายไว้อย่างนี้คนยาเป็นพรามหนุ่มส่วนพรามเอกเก่านั่นทํานายเป็นสองลักษณะว่าถ้าเสียถะของคารวะจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกวัวจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกสงลักษณะส่วนคนทญยาพรามนี่ ทำนายเป็นลักษณะเดียวต้องออกบวชแน่นอนเป็นชาตรายเอกในโลกแน่นอนรอจนสิบหกปีเอาาา้าว菩萨พระเจ้าสุโทธทนะสร้างภาษาสาวลดูให้กลัวว่ า, า จ, ออวจิตถะจอบบวชเจงสร้างโลกให้ให้น่าอยู่อาขรไม่เหสีคือพิมพ์ผา ส่องหามเป็นดกกระเบื้สีมิจน้มกำนันนัยตลอดเวลายันไม่เห็นอะไรอยู่ในแต่ประสาทสามระดูระดูร้อนอยู่ระดูระดูหนาวอยู่ระดูระดูฝนอยู่ระดูคนในยาพาวก็ยังไม่ยังไม่หมดยังเชื่อมันน่นในการลักษณะของสิท ธ, ธัตถะ จนรอไปถึงไอ้ชนที่ได้อายุยี่สิบเก้าพรรษาออกบวชจริงๆตอนนั้นก่อนที่จะพามเลยชวนลูกของพามที่ไปทำมายลักษณะในวันนั้นด้วยกันเอาลูกของพามส่วนพามที่ไปทำนายลักษณะด้วยกันนั้นหมดชีวิตไปแล้วเพราะปเป็นคนเฒ่าคนแก่ ไปชวนเอาลูกของพ่อแมเลยว่าปะปะพัทยภานามะอัศกิไปด้วยกันบอกติดตามเพื่อให้สิธะออกกวนแล้วจะได้ตัดสรูบ้บางปูดพวกเราก็ตามไป<อ>นนจนอยู่ถึงหกวีตามสิตาถออกกวดจนหนีจากเห็น มากินข้าวกินน้าปันเจา้าศีหนีจากออกจากพุทธคยาออกจากบา้านนางสุชาดาใกล้ๆกับพุทธคยาลี่นมันแฉแนะน่หนีไปอยู่ปันอิสิปตนะโนนเมืองพลาลาสีพุทธคยาจากไปเมืองพลาลาสีเนี่ยมันไกลกันนะ าะน้อยทั้งสามร้อยกว่มงสี่ร้อยกว่มงเท่ากุ้งเทพกับคุยพรมเนี่ยตัวเจ้าเมื่อตัดชั้แล้วในวันเพ็ญเดือนหกต่างได้หาคนที่สอนอยากสอนใครหนูเรื่องดี่ะจึงคิดเห็นปัญจพัคีโพมินิจัย ผู้ที่อยากฟังทำแล้วไม่ได้ตีแรกก็คิดเห็นอุทกาดาบทอดดาตราบทึ่งเป็ประจย์หนแรกแต่ว่าหมดไปแล้วไม่มีแล้วจึงมั่นใจเดินลอนแล้งจากพุทธคยามาอิสิปตะได้แสดงธรรมในวันนี้แจกัญยกักขีคือทั้งหมด แล้วสมบูรณ์แล้วตั้งแต่การตัดชะลูการปริธานตลอดทั้งการเกิดแก่เจ็บตายจบลงไปในธรรมเทศนากันเดียวเนี่ยทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเราอย่างไงการตัดชะลูการแสดงธรรมเกี่ยวกับพวกเรายังไง เราปฏิเสธไม่ได้ชีวิตของเราก็คือเรื่องนี้เรื่องกเกิดเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอนเรื่องควงเวียนว่ายใจเกิดที่มันต้องไมเราวนเวียนอยู่นี่นั้นจึงเป็นเรื่องของเราเราปฏิเสธไม่ได้การตัดรูหัเจ้าพ่มธรรมคำสอน มาพ้อมกันอันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัญญานิพันมาพ้อมกันหมดครบถ้วนหรือ ว, ว่าทำมาจากขปวัตถสูตรหนังที่เราได้สาทย่อยพ้อมกันนี่ไม่ควรจะสงสัยแต่มันคืออะไรคือเราก็เห็นอยู่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 เปี่ยนหลงเป็นรู้เราทำได้ไม่โทษทิ้งต น, นี้เราได้ทำแล้วพระเจ้าบอกว่าทำแล้วจริงใดที่ทำให้เกิดทุ ก, ทกเรารู้แล้วเหตุที่จนเกิดทุ ก, ทกเราทำแล้วทางที่ทำให้ออกจากทุกขเราได้ทำแล้ววางพ้นทุกเราได้พ้นไปแล้วเหมือนเราเห็นงูไม่ต้องเก็บพวกงูกัน เห็ทนทุก็ไปต้องทุกเพวกะความทุ ก, ทกแล้วก็เป็นเรื่องของเราเราถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้มันจะมีค่าอะไรมันจึงทำได้ทุกชีวิตทุกชีวิตก็มีอยู่อย่างนี้เรามามีสติมาดูเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยนานเท่าไหร่ชีวิตของเรานี่ระวางรู้ระวางหลงน่ยมันมากกว่ากันเท่าไหร่ เราจะปล่อยให้หลงอยู่เช่นนั่นหรือแค่ตัวเรามาเดินจงกลม่ายกมือเคลื่อนไหวชั่วโมงหนึ่งก็หลงไปเท่าไหร่เรารู้ไปเท่าไหร่มาสมดุลกันไหมถ้าเราไม่ช่วยตัวเองตัว น, นี้ไม่รู้เยอะจะช่วยอะไรไม่ใช่มีค่าอะไรเลยถ้าเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยมีค่าขึ้นมาแล้วแล้วก็ดี เวลามันหลงลุกขึ้นมาได้ประโยชน์เวลามันทุกข์ลุกขึ้นมาได้ประโยชน์เวลามันโกรธลุกขึ้นมาได้ประโยชน์มันเป็นอย่างนี้จริงจริงถ้าเราไม่ทำตรงนี้อะอะไรที่เป็นชีวิตของเราเวลาชเราใช่ไปมันเป็นยังไงสัมผัสดูสัมผัสกับพอมไม่หลงสัมผัสกับพอมไม่ทุกข์สัมผัสกับพอมไม่โกรธ ทุกคนก็มีเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้ไปรเสษใไม่หลงเรื่องใดก็หลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีก็หลงมากบางทีก็หลงน้อยเสียเปียกความหลงเสียเปียบคองมโกรธเสียเปียบคองทุกขจนเป็นล่องเป็นลอยในหัวใจของเราลอยลักลอยแค้นลอยผิดลอยถูกลอยอะไรต่าง เราจึงไม่ควรจะเสียเปรียบเหมันบางเกิดจากเท่านี้มีเหตุ ม, หตมีปัจจัยทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดต่เหตุเราก็จะดับจะแก้ก็จะที่เหตุเเหตุมันคือตรงไหนคือไม่รู้ก็มไม่รู้เหมือนปลาถ้ารู้ก็เหมือนเหมือนทาง เราเค ย, เคยหลงยังหลงอยู่กอยโกรดก็ยังโกรดอยู่ยังหมกมุ่นอยู่ในป่าแต่อันที่จะสลงเป็นทางไปหลงเป็นหลงหรือว่าอยู่ในดงในป่าถ้ามีป่าก็ต้องมีอะไรอยู่เท่านั้นมีของที่ไม่สะบวกมีพิษมีภัยโบรานท่านจึงว่าณนะที่ได้มีป่าอย่าประมาท เสืออวดมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวานไอเดินผ่านไม่ระวังมีหวังตายป่าคืออวิชาคือใบรูความรู้ไม่ใช่มีป่าโล่งเห็นแล้วอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในที่มันมีทางเดินไปในที่มีทางชีวิตเรามันต้องมีทาง จะไปที่ในต้องมีทางจึงถึงจุดหมายปลายทางไอ้ใช่ดุ้นเดาไปไม่มีทางไปแผนที่ทางเดินด่างพระพุทธเจ้าแสดงถับพระสูตรต่างๆเป็นแผนที่ขีดเช่นไว้หลงทีเลยลูย้ทีนั่นกลับไปทางให้มันถูก ถ้าไปทงมันหลงอยู่หมกมุ่นแล้วก็หลงเลยไปหลงแล้วไม่ใช่หลงเล่นหน่อยหลงเพิ่มขึ้นโจนเกิดอะไรต่างๆมากขึ้นมานี่คือพระธรรมคมสอนในวันนี้มีหลักมีฐานมีตัวมีตนสัมผัสได้ชีวิตของเราสัมผัสได้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 ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไป่จำกัดการผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ริงในรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตอบสมควรแก่ผู้ปฏิบัติถ้าใครมีสติก็หลงน้อยถ้าใครไม่มีสติก็หลงมากเพราะฉะนั้นแสงแห่งน้อยก็แสงสว่างนิดหน่อยแสงตะเกียงก็สว่างขึ้นนิดหน่อย แสงมีออนก็สว่างขึ้นนิดหน่อยมากขึ้นกว่าแสงตะเกียงตอนแสงดวงอาทิตย์ก็ลู้แจ้งโลกโตกับวิถูออนที่มีอยู่ในกายกค้งสอกยาวหาคือปูมดไม่ใช่ไม่รู้เลี้ยนนะมันจบตรงนี้เรียกว่าลู้โลกมีสติเป็นด้าโลก การมีสติเป็นหน้านรอบในรูปในนามในกายใงใจท่านเรียกว่าพระอัลฮานผู้ชงกับยังบาลิมุขังสติอุปตะเปตตะวาผู้มีสติเป็นด้าโลกขีนาศกคือเพระขีนาศกขีนาศกคือใครคือพระอรหัมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมา มันจะมีขึ้นก็ต้องประกอบไม่ใช่ไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่เรื่องอื่นต้องประกอบต่อติมันจะเกิดก็ประกอบไม่ใช่ท่องยำด้วยซ้ำไปต้องประกอบขึ้นมาสัมผัสองค์กายไปสัมผัสเอาใจไปสัมผัสตาบควมรู้สึกตัวเดี๋ยวนี่กายสัมผัสอะไร ใจมันสัพผัดกับอะไรอาจจะสัมผัสกับอารมณ์ความหลงมากจนเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหมักห่มเป็นจริตเป็นนิจใจเพราะไม่เคยสอนตนเตือนตนแค่ไขยตนเองโดยอยู่นั่นโอ้วหไปจนมากเหมือนดินพวกขาวหมู เป็นเจ้าอ า, ารมณ์โทสจจิตงหจยจิตลาค้าจิตโมค้าจิตจนมากมายคิดอะไรออกหน้าออกตาไม่มีคุณธรรมแต่ชีวิตของเราอาศัยไปได้มีใจก็พึ่งใจไปได้ไม่รู้ว่าใจเป็นอย่างไ ร, รมั่นใจตัวเองกา น, นจะอยู่กันยังไง มันก็มีสิ่งที่ทำได้อยู่พึ่งได้อยู่มันไม่เกิดลี้ลัลลบๆมันโง่โงความหลงก็โง่โง่ความโกรธก็โง่โงความทุกข์ก็โง่โงแสดงออกได้เวลาที่มันทุกข์ก็แสดงมาทางใบหน้า ทางกายทางใจเราไม่เห็นคนก็เห็นหน้าบูดบูดหน้าเบึ่งบึ ง, บ ง, บงพูดจาก็ไม่เพาอจับสัตวาอาวุธประหัตทหารได้ไดแต่เราก็เห็นอยู่เราไม่เห็นตัวเองก็เวลามันโกดไ้ส่องกระจกดูมันจ้าดูไหม ไยืนส่งก็จกดูหน้าตัวเองดูสิเป็นแม่คนไหมเป็นเมียคนไหมเป็นผัวคนไหมเป็นลูกคนไหมเป็นพี่น้องกับใครไหมเวลาเบิ่งโกรธเห็นวิ่งกับใครแม้แต่ตัวเองก็ทําร้ายตัวเองปันณีแล้วเหมือนลูกระเบิดก่อนที่มันทำลายคนเหลือบุกทำลายตัวเองก่อนมันแตกก่อนเป็นที่จะทำลายคนอื่นคก็โกรธเบิ่งกระลับเปิดเทมทำลายตัวเองสุด หม ด, หมดชื่นไปแล้วในความดีแล้วก็ไปทํำลายคนอื่นได้เราจะเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะชีวิตของเราตัวเองก็เพิ่งตัวเองไม่ได้ถึงมาประกอบขึ้นมาในความดีสร้างขึ้นมาให้มันมีกับชีวิตเหล่านี้ในวันนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้ผู้นี้ก็เป็นอย่างนี้แต่วันนี้เรามีสติผู้นี้ก็มีสติ ตอนนี้เราหลงผู้นี่ก็หลงแน่นอนที่สุดเพราะมันไม่มีบุญว่าชนะไม่ได้วาดไระได้เขียนไม่ได้ขีดเช่นให้ตัวเองวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ขีดเช่นให้กับตัวเองเดินอยู่ในเช่นเนี่ยให้มันชำนช้จำนาญกรรมฐานเป็นการขีดเช่นเดินชีวิตของเรา มันมีทางนี่ว่าอาริยมรรคอริยมรรคเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานคือทําไม่ไหนเนี่ยด่านไรพูดเมื่อวานนี่ทำไมิไหนทำไม่ไหนเป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดไปทีแล้วถ้ามีทำไม่ไหยอยู่ก็มีมรรคมีผลอยู่ ทำไมไหนก็คือเส้นได้ก็ว่าได้ร้อยชีวิตของเราให้เป็นอันเดียวกันชีวิตของเรานี่ยก็เป็นคนละดอ ก, ต, ต, ต, าาก ต, ต, ต่างต่างต้นต่างสีก็ช่วยก็ช่วยกันต่างโตนต่างสีต่างปินก็ช่วยก็ช่วยกัน เมื่อเช่นน้อยเป็นล้อยเข้ากันก็กลายเป็นพมุมาไหลนี่คือทําไม่ไหนกลายเป็นอันเดียวกันอาจจะเป็นสีเป็นกินเป็นต่างทนุนสวยงามขึ้นมาต่อถ้าเราเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ก็ดว้วยมีมรรคผลนิพพานนี่ว่าเรียบเรียบอันเดียวกันเลยแผ่นดินเรียบไม่ใช่แผ่นดิน ทือชีวิตของเราเป็นคนคนเดียวกันแปดดินเรียบเหมือนหน้ากองใสศาสานาพระสีอะอรีไม่ไจจะมาตัดจะลูหมายถึงเรย่อนี้ต่อเมื่ออะไรอธรรมะไปปฏิบัติมาสอนตัวเองแค่ใครตัวเองเตือนตัวเองไม่มีใครเห็นเราได้นอกจากเร า, เ, ราเห็นเราไม่มีใครสอนเราได้สอนให้เราเป็น คนอื่นสอนให้รู้แต่สอนให้เป็นเราต้องสอนตัวหลอสอนให้รู้ก็ยังใช่ไม่ได้นี่พานคือใจดีๆแต่นรกคือใจ ล, ยลยอยๆอันนี้ผ่านคือใจนวัสผ่านคือใจเย็นๆสวรรค์ขึ้นใจดีๆนรกคือใจ ล, ยลยอยๆอ้าวมันคืออะไรมันคือเรื่องของใจนี่เอง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 ถ้าไม่ช่วยให้ให้มันไม่มีภัยมันก็จะต้องมีภัยอาบุบรดเมืงตัวเองตกนรกอยู่ก็ไม่รู้จกกักนรกกลัวนรกต่อมื่อตายไปแล้วแต่เดียวนี้ไม่กลัวนั่นก็เป็นไปได้อย่างนั้นเลยมากลัวต่อเมื่อตายอยากมีสวรรค์ต่อเมื่อตายไปแล้วอยากมีนิพพานก็ต่อเมื่อตายไปแล้ว แล้วก็ไม่ใช่โอเจ้าสอนเป็นปัจจัตังเป็นปัจจัตังลูกเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้หมดเดียเด๋ยวนี้พ้นเดี๋ยวนี้ถ้าใจเย็นๆได้มีพานเขีมลองถ้าใจดีๆก็ได้สวรรค์เขียมลองได้ใจร้อ ย, ยๆก็ได้สาลุกเขียมลองเคยคิดไหมโอที่ยเพมเคยคิดมาลุกไหม <c oughs> เวลาวันทุกันโกรธเปงนไงกินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมไอ้โกรธได้โกรธตายไม่ลืมตอนนอั้นนาะคนเราดึงขึ้นมาแล้วลงไปเหมือนหนออยู่ในคูเกี่ยงขึ้นบาลอยังยังดิ้นลงไปอีกอยากโกรธต่พื่ออยากโกรธต่กอยากโกรธเพื่อนไม่โกรธไปได้ไม่โกรธไปได้ ง่วย อ, ม, ย อ, อม่วู้ยอมก็ไมู่้มันมืดบาปมืดไม่เห็นบุญคือสว่างเห็นที่ฐางทามช่วยตัวเองเป็นดูเจ้าสอนเรื่องนี้สวรรค์ในอกลกในใจในิพพานอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั้นดูคนทุกคนเหมือนุทธเจ้า ฟังเสียงทุกเสียงให้เหมือนเสียงพระสวดมนต์ทุกคนทุกคนให้เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นนี่คือชีวิตแทๆ้ๆเลยไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษตัวเดินทาก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษขอั้นเฉิญก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษก็จะมีจะเห็นมันเป็นลสของโลกนั่โลกคือโลก เป็นาสเสริญสุขทุกข์น้อยเสียเป็นรถของโลกสมบัติของโลกมีมากรถ้าเราไม่เหนือตรงนี้ก็ถูกโลกทับถมอ๋อที่เจ็บปวดต้องเป็นฉิงเป็นเสือเป็นฉิงใจฉิงใจเสือเขียนลายให้ตัวเองอย่างที่ลัตาพูดเมื่อวานนี้ว่าต ก, ตกลงว่าเป็นเสือแล้ว หลายไม่หลายก็ทั้งเขียนเติมเติมขึ้นมาเขียนให้เป็นหลายขึ้นล่ะเวลามันหลงร้อยเสือคือไม่หลงสิงคือมั่นใจไม่มีแพ้แต่ว่าสิงเสือเคยไปดูสิงสิงโตไหมพ่อทยกสวนสัตว์ดุชิตเคยไปดูไหมเราไปเรียกสิงให้มันมองเราหลมันไม่มองใครหรอก มันก็เดินโชยเอยากจะยื่นมือจะลอยใจให้มันดูมันไม่ดูหรอใช่สิ่งบันไหมอะไรชีวิตเนี่ยลุยบรรเลยโลกเนี่ยเอาเนินทาก็ไม่วันไหวเขาสรรเสริญไม่วันไหวสุขก็ไม่วันไหวทุกข์ไม่วันไหวตายเสียไม่วันไหวเราฝึกกิตใจของเราผู้ที่ฝึกผลกิตใจดีแล้วไม่วันไหวเพราะเนินทาสรรเสริญ ผู้เจ้าพูดลองนี่บ้างผูเ้เขาศิลอแท่งทึบไม่จะเถือนหัหลมฉันใดเหมือนติดผู้ฝึกผลดนดีแล้วมันเนินทาไม่หวั่นไหวเพราะเนินทาสันเสริญฉันฉนั้นนี่คือชีวิตของเราจริงๆเราจะอาศัยกันได้มั่นคงเพิ่งพาอาศัยกันได้เราก็เพึ่งใจเราได้ ใจของเรามาไม่เป็นอะไรแล้วหมดพิษหมดภัยแล้วเรากฝืกอย่างเนี้ในเทปัมมะตมทังในในธรรมเทศนาวันนี้อาสละบูชาเวียนมาถึงพวกเราเอาให้เกิดประโยชน์เหมือนกับคนทยาภาพฟังเทศนาดี ทธา ร, รมาจัดเรื่องนี้เขาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีเพราะเจี่ยวกับเราเองนั้นหลงไม่หลงเหมือนพระเจ้าสอนไปเฉพาะหน้าได้แล้วมันทุกข์ไม่ทุกข์พระเจ้าบอกอยู่ มาทางนี้มาทางนี้นี่คือทางความผมไม่ใช่ทางกลับเข้ามาทางไม่หลงมันโกรธไม่โกรธกลับมามันทุกข์ไม่ทุกข์กลับมากลับได้หรือ ว, ว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับกลับมาหาทางมันผิดกับมาหามันไม่ผิดมันทุกข์กับบาฮ์มันไม่ทุกข์มันโกรธกับบาห า, ม ไ, มม า, ม า, หาไม่โกธรธนี่ ว, ว่าทาง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 ประเสรตัวมนุษย์ส่วนเด้ฉานมันยังเป็นสัตว์เด้ฉานอยู่กี่ปีกี่ปีก็เป็นสัตว์เดรฉานพัฒนาไม่ได้มนุษย์เหล่า น, นี้เป็นสัตว์ประเสริฐมีลูกมีดามมีสัญญามีสงขารมีวิญญาตรู้อะไรได้มีธาตุรู้ ในเด่นน้าไฟลมมาหาโพติ์รูปอาศัยได้เหมือนพ่วงแพรมาหาโพธรูปคือเด่นน้าลมไฟเนี่ยพ่วงแพรมีขันดังห้าเหมือนกับเหมือนลู่เลยได้พ่วงแพรสำหรับขี่ข้ามฟากมีรูปวังอมือมารูปโมชนันหน่อยนี้ยกมาไหว วาจาก็เป็นบอกความเลทความจริงอย่าเอารูปไปทําอย่างนี้นีวาจากา็วาจา่าพูดอย่างนี้เป็นเป็นรูปนามําดีให้รูปมันทําดีให้น้ํามันทําดีแล้วก็มีอยู่ในเราเนี่ยทุกคนก็มีรูปมีนามทุกคนก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เหมือ น, นกันโบทคนในโลกนี้มีเท่าไหร่ พระชากรในโลกเนี่ยอะอะอะไรจะไม่ได้อาจารย์สินจันทร์ทหารบอกอนันละทุกคนก็เริ่มต้นจากเราก็เป็นคนคนเดียวกันทันทีนับหนึ่งจากเราคนดีอยู่ที่ไหนอย่าขี้พ้ใครคนนี้ต้องอยู่ที่เรานี้เสนอตัวเราขึ้นมา ลูกพ่อนี้แม่นี้เราคนดึงละยิ่งเรามีสามีปัญญามีเพื่อนมีการเมืองก็กเราคนดึงละวเหนือตัวเราขึ้นมาตั้งต้นจากเราก่อนทุกคนนับเดิมมันก็มีสองมีสามแปกจากพระกทัญญาพารามณ์เป็นพระสงฆ์มาถึงพวกสงฆ์พวกเราในธรรมวินัย อ่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ไหนตัดไปดีแล้วจงปฏิบัติตามธรรมด้านเถิดปฏิบัติตามธรรมมันหลงอย่าไปตามหลงมาปฏิบัติตามความไม่หลงบอกไว้แล้วมันโกรธอย่าไปตามความโกรธให้กลับมาหาความไม่โกรธมันทุกข์อย่าไปตามความทุกข์กับมาหาความไม่ทุกข์ทุกคนทำได้ไม่ต้องขอญาตจากใคร ของตาฉันโกรธหนูโกรธผมโกรธตอนอาต้ขอญาติไม่โกรธได้ไหมไม่มีคำพูดอย่างนี้ขอญาติไม่โกรธขอยาตไม่ไทุกข์ไม่มีมีแตเราเองที่ทำเอาเองทับปัดดูแล้วไม่ถูกจริงๆนี่คือการกระทงการทำแบบไม่เลือกปฏิบัต ขยันรู้รื่อภาวนาเจ้าโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวิตรทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งนี่ภาวนาขยันรู้เอาโดยเพพาะกรรมฐานสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะเดียว่าเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวี้กายานุปจนนาสติประธานมีสติไปในกายเคลื่อนไหว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 ปสัสสาวะก็แจ้เราก็แจ้เห็นอะไรเห็นควงหลงหลงไปทางไหนเยอะแยะอาจจะหลงถึงพิมพ์พาลาหุนเคยคนเคยมีลูกมีเมียอาจจะคิดถึงลูกถึงเมียบ้างใช่ไหมคนเคยอยู่ประสาทะสำริ ด, ดูพ่าอยู่ต้นไม้อาจจะคิดถึงประสาวะสำริดูโออยู่กับปูสนมกำนันใน มีบุรุษเจือผลเลยเอาจะคิดถึงบุรุษโอคิดถึงบริวาน้อยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยบางทีก็เจ็บๆ เ, เราแดด ต, ตากผ้าตากผนเาจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวัวตายมีความคิดเหมือนกันสู้อย่าเอาเรื่องมาต่อโลอก เรามีสติแล้วเอาลงไปกลับมามีสติเวลานี้ไม่ใช่เราบ่คิดไม่ใช่เรามากลัวไม่ใช่เรามาวิตกกอนวลอะไรเราวาภาวนามีสตินะตัดเชิงใจตัดเชิงใจหลงที่ใดตัดเชิงใจไม่หลงรู้มีรอยยิ้มนีต่อเห็นหลงเป็นหลงมันก็ไม่ทํมารั์เลย เราหลงเป็นรูทุกเป็นรูอะไรเป็นรู้ก็กรรมกรรมมาจากจิตทีขีดชีวิตเราได้จอดเคยหลงมาเป็นรูจอดเคยทุกมาเป็นไปทุกได้จ้าเคยผิดมาเป็นไม่ผิดได้เรียวว่าปฏิบัติธรรม